ก็เคยเตือนอยู่แล้วนะเราบวชมาเมื่อเพื่อมาเพื่อฝึกตนเพื่อบรรเทากิเลสตันหาให้มันน้อยเบาบางออกจากขิดใจก็ถ้าไม่มุ่งอย่างนี้จะมาบวชทำไมอ่ะถ้ามาเกลียกลานแล้วมันก็มีมแต่พอกุูงกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเืยไปมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราขยันมันเพียนแล้วนี่กิเลสมันก็เบาบางไปอย่างนี้นะเออข้อว่าปฏิบัติเราเนี่ยมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้บาวางไปจา ก, กจิตสันดานอันนี้นะอืมทําไมเราจะไปนนอนไม่รู้จักตื่นหรือบางทีตื่นแล้วมันก็ไปขี้ค้านทำหมมาทําก็มีอืม มันต้องตั้งใจไหมฮะอย่าไปทำอย่างนั้นไม้มเราพร้อมเพียงสามัคคีกันที่ทำอะไรอะ่ะมันมีหลักการในทาอย่างไรต้องมีหลักการหลักการก็อย่างนี้แหละอย่างว่าเราทวาวัดเช้าทาวัดคำ่ำอย่างนี้เป็นเป็นหลักเป็นเป็นหลักของการข้อปฏิบัติเบื้องต้นอันนี้เคติวัตหลักการยนะ ทุกคนเนี่ยมันต้องเคารพในหลักการอย่างนี้อืมมันถึงจะเป็นไปได้เป็นงานแต่ขี้ค้านไว้พระสวดมนต์แล้วนี่มันก็ยิ่งคี้คลานนั่งสมาิภาวนาซ้ําเลยอย่างนั้นนะถ้าลงได้คิดค้านอย่างหนึ่งแล้วมันก็คิดคลานเรื่อยไปหละ อันเป็นงั้นเราบวชเข้ามาแล้วปฏิ ญ, ญาณตนอุทิศ ต, ตนชีวิตของตนต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสง่์ยอมเป็นทาสพุทธสาหัสสมิดาโซวาธรรมสาหัสสมิดาโซวะสั่งขัดสาหัสสมิดาโซวะท้าพระเจ้าขอถวายตัวเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสองพระเทเจ้าให้เต็มความสามารถอย่างนี้ไอ้คาทาวัดสวดมนต์นะแล้วก็กล่าวออกมาอย่างนี้นะก็แสดงว่าเรายอมตนลงต่อพระพุทธพระธรรมประสงค์เต็มที่เลยเราเริ่มใสในพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ เมื่อเล่มเลื่อมใสในผู้เจ้าแล้วเมื่อก็ต้องเคารพต่อพระธรรมต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าอ่าอย่างนี้เคยเตือนให้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงค์บ่อยๆนึกถึงพระสงค์อลยนี้นะว่าพระสาวกของพระเจ้าแต่ครั้งพุทธกาลท่านจะชําระอสวกิเลส ให้หมดสิ้นไปได้กระเนื่องมาแต่ท่านเค า, า, ารพต่อพระพุทธเจ้าเคารพจงพระธรรมนี่เมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปพี่นะเห็นว่าคําสอนของพระองค์นี่เป็นนิยานิกระทัมนําผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์จากไปได้จริงอย่างนี้นะตนเป็นผู้มีทุกข์ติดตามครอบงําอยู่อยากพ้นทุกข์ อันนี้ก็มาปฏิบัติตามคมสอนพุทธเจ้าอย่างไม่คิดชีวิตไายผึกตอนทรมานจนแท้ที่สมัยพระสงฆ์แตกสาวกแตกก่อนบางองค์เดินจย ก, กรมเอาจนเท้าแตกเอ่าเท้าแตกแล้วก็คานด้วยหัวเข่าก็มีอย่างนี้นะนั่นแหละก็เพื่อ เพื่อนพี่าเห็นแล้วว่าพระธรรมคำสองพระติเจ้านี่เป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ได้จริงแต่ว่าใจเราฮะยังไม่เข้าถึงธรรมเพอจิตใจให้เข้าถึงธรรมให้ได้อย่างนี้ถึงธรรมอะไรวางัา้นอาวขันติธรรมความอดทนอย่างนี้นะความอดทนนี่ก็เป็นธรรมอันหนึ่ง อันเมื่อผู้ใดไม่มีความอดทนแล้วผู้นั้นก็เือว่าไม่เข้าถึงขันติธรรมอืเป็นอย่างนั้นอาวิริยะอย่างนี้นะมัน ก, ก็เป็นธรรมม น, นหนึ่งอถ้าใครขาดความภาคเพียรพยายามแล้วก็เชื่อว่าไม่มีวิริยะธรรมอยู่ในใจอความเพียร น, นี่แหละมันเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อน ถ้าบุกค้ไม่ภาคเพียนไม่ยามแล้วกิเลสมันก็ดองอยู่ในจิตใจนั้นมันก็อยู่สบายเพราะว่าไม่มีไม่ได้รบกวนมันไม่ได้กดดันมันะ่ะปล่อยให้มันอยู่ฝังอยู่ซึซมซาบอยู่ในจิตใจนั้นไปอย่างนี้นะนั่นแหละกิเลสมันก็ถอนออกจากคิดไม่ได้แต่ถ้าเราเหมั่นเพียรเพ่งปินิด อยู่บอยบ่อยเพ่งเข้าไปหาจิตใจนั่นแหละระวังประคับประคองจิตนั้นด้วยอย่าให้มันอ่อนแอท้อแท้อย่าให้มันพุ่งสั้นเลื่อนลอยไปในทางอื่นนี่เมื่อใจถูกกดดันให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็มีประสิทธิภาพมีอำนาจเลอทับกิเลสนั้นลง กิเลส ก, ก็อยู่ไม่ได้ถูกอนุภาพแห่งสมาธิมันพับเข้าไปมันก็นดิ้นหาทางออกดิ้นต่อสูอ้เมื่อใจเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ถอนออกไปจา ก, กจิตใจได้เนี่ความเพียนน ะ, ะเป็นเครื่องแผลเผากิเลสให้เราร้อนนะท่านเรียกว่าเป็นตปะธรรม ดั่นั้นจะพากันไปท้อถอยให้มีความภาคเพียนอา้าวเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนานั่งอยู่ธรรมดาก็เพียงกำหนดจิตอยู่อย่างนี้นะเพียนเพ่งจิตอยู่เพ่งกายอยู่สติอย่าไปยันหนีห่างออกไปจากกายจากจิตเหมือนอย่างเพราะ บรมศาสดาทรงสอนพระมหากัสษปะไถะเจ้านใน เ, เวลาท่านออกบทอุทิตต่อพระอาราหันต์แลวได้ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ให้โอวมาทเพียงสามข้อหนึ่งนี้ท่านจงมีสติไปในกายทุกเมื่ออย่างนี้นะแล้วท่านจง เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่า ก, กระท้างกระเดืองอย่างนี้และจงเป็นผู้สำมรวมจิตของตนด้วยดีปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปถือมั่นไว้ในใจท่านรับโอวาทสามข้อจากสาสดาแล้ว แล้วก็เร่งทําความเพียรเข้าไปอสำรวมจิตเข้าไปสติก็ไปในกายกแผงกายนี้เข้าไปเห็นกายนี้เป็นของโสโคกสกปกไม่สวยไม่งามอะไรเป็นของไอเทียมเป็นของแจกของดับเข้าไปมันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาอนั่นแหละที่พระศาสดาทรางสอนให้อ่อนน้อถมถ่อมตน นี่เป็นเป็นข้อโอวาที่สําคัญไม่น้อยเหมือนกันนะข้อนี้นะเพราะคนเราถ้าไปแข็งกระด้างเส็แล้วมันไม่ยอมปฏิบัติตามนะคําสั่งสอนที่ภูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนก็นเมื่อชอบใจก็ปฏิบัติตามเมื่อไม่ชอบใจก็ไม่ปฏิบัติเอาอดื้อๆนี่มันเป็นงั้นคนกระด้างกระเดืองคนถือตัวจัดนะ นี่กิลศตัวนี้ก็สำคัญมากนี่นะให้เข้าใจพวกนาคหม่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยอย่าไปสำคัญว่าตนเป็นผู้ดีกวัวเพื่อนตนเป็นผู้มีะกูลสูงกล่วเพื่อนมีปัญญากวัคนอื่นบมกอะไรอย่างนีนะ้อย่าไปสำคัญอย่างนั้น คันเมื่อมันมีสําคัญว่าเราดีกว่าผู้อื่นนมักจะข่มผู้อื่นพูดเหยียดย้มดูหมิ่นผู้อื่นอันนั้นก็เป็นกิเลสเราไม่ใช่ธรรมะอ่ะมันเป็นงั้นดังนั้นกิเลสตัวนี้ยตัวกระด้างกระเดืองนี่สําคัญมากสําคัญยังไงอ้าวสาคัญในเมื่อมันแข็งกระด้างกระเดืองแล้วไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าอย่างที่ว่านั่นแหละ จะไดแก่หับแกนอนเอาตามอำเภอใจตัวเองไม่อธิษฐานในใจชอบใจกับความหลักความนอนอย่างนี้นะนี่เรียกว่าคนแข็งกระด้างกระเดือ่องไม่ไ ม, ไม่ไม่ถ่อมตนลงสู่คำสอนของพระองค์พระองค์องสอนไว้ชาคาเยานุโยกประกอบความเพียร เพื่อจะชำระใจให้หมดจดของใสจากกิเลสไม่เห็นแก่นอนมากนะักนี่เราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อนี้มันก็กิเลสก็ไม่ได้น้อยบาบางออกไปจากกิจใจแล้วน ะ, ะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าไม่ทําความเพียรเผากิเลสนี้กิเลสมันไม่เล่าเร่าร้อนมันก็ไม่หนีจากกิจใจนี่มันก่อน นอนนิ่งอยู่ในจิตใจนี่พันเรียก ว, ว่าอนุสใสนอนในเมื่อผูใ้ใดจะทําความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยอจิตมันมีอํานาจขึ้นมีกําลังเข้มแข็งขึ้นอย่างนี้นมันก็ไม่หวนไหวตามอํานาจของกิเลสนั่นมันก็เอาชนะกิเลสนั้นได้กิเลสก็อยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปนี่ มันเป็นอย่างนั้นได้พากันเข้าใจแต่ว่ากิจการบางอย่างในวัดนี้นะเมื่อหัวหน้าแนะนำบอกกล่าวขอให้ไปช่วยกันทำโน่นทำนี้อย่างนี้นะอย่าไปฝืนเมื่อเพื่อนชักชวนเพื่อนเนี้น นำแล้วเราก็ยินดีทาเพราะว่าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นต้องยินดีทำแต่ตนเป็นผู้น้อยอย่างนี้มันก็ต้องคอยฟังผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นหัวหน้ามีปัญญากว่ามีความคิดสูงกว่าอย่างนี้เพื่อนมีจัดกิจกรรมอะไรต่ออะไรขึ้นมา ก็ปรึกษาหารือกรนมูลงมือทำกันอย่างนี้ก็พร้อมเพียงกันทำลงไปพาะงานในวัดนี่มันก็ไม่หนักเหมือนอย่างงานในบ้านเป็นมีเป็นครั้งเป็นคราวดังนั้นอย่าพากันท้อท้อใจถ้าจะเป็นเกลหัดเนี่ยทำงานกำพ้นทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำก็ยังทำ ไม่ทำก็ไม่ได้กินเนะี่ยเป็นกระเลือหัอดอ่ะอย่างนั้นเมื่อเป็นพระเป็นเนนมาแล้วอไม่ทํางานก็ได้กินชาวบ้านเขาให้เห็นว่าได้อยู่ดีกินดีแล้วก็ทําไยไปเลยความเกียดคราสก็ครอบครองามแล้วแบบนี้นะทําอะไรไม่ค่อยได้ละเหนื่อยอ่าันเข้าหนเดียวไม่มีกําลังหรอว่าอย่างงี้ ไม่เจ๋งข้อนี้หนะลวงปู่มกเป็นมาแล้วแต่ยังหนุ่มฉันเข้ามือเดียวหนเดียวนี่นะถามกิจวัตรปฏิบัติต่างๆไม่มีย่อดท่อแต่ก่อนนั้นน้ำก๊อกนุ้ิก็ไม่มีมีแต่เอาถังกระป๋องอะไรไปหย่อนลงในบ่อดึงขึ้นมาใส่ถังเต็มแล้วก็หามกันไปเทใส่ำํำ องคามหายกุตติต่งตางๆตรงนั้นอฮอกรทํากันอย่างกระยันขั้นแขงไม่เกียกข้านเลยอย่างนี้นะสมัยทุกวันนี้มนันสบายมากเกินไปเปิดก็้อกระดใดใช้เลยน้มาฮะอย่างนี้เมื่อได้รับความสะดวกสบายสบายไปยิ่งเกียกข้านคนผู้ประมาทนะเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ไม่ประมาทแล้วก็ตื่นตัวโอ้เราได้รับความสะดกสบายเพราะว่าผู้ท่านมีบุญวาสนาท่านสร้างท่านอานวยความสะดกสบายให้แก่ผู้มาทีหลัง เ, เราได้รับความสบายนี้แล้วเราจะต้องตั้งอกตั้งใจทาความเบญได้นนเต็มที่ แม้ฉะนั้นเราจะได้เป็นนุเป็นหนี้บุญคุณของท่านผู้อำนวยความสะดวกให้แก่เราแต่มันต้องคิดสอนตนเตือนตนอย่างนี้อย่าไปนิ่งนอนใ จ, จริงนะถ้าไปได้รับความสุขสบายจากผู้อื่นซึ่งจัดอำนวยความสะดวกไว้ให้แล้วตนเกียดข้ามไม่ทําความเพีย ไม่ชำระจิตใจให้เบาบางกากกิเลสตัณหาแล้วผู้นั้นก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณของท่านผู้มีอุปการะทั้งหลาย เ, เช่นอย่างผู้เป็นลูกของพ่อของแม่พ่อแม่ให้เกิดมาเป็นคนแล้วพ่อแม่เลี้ยงอีกเลี้ยงจนเจริญไวใ ห, ใหญ่โตขึ้นมาบางคนก็ นึกไม่เห็นคุณของท่านเลยท่านเลี้ยงใหญ่มาแล้วนึกว่าตนเกิดมาเอียงใหญ่เองอคนหลงคนเมาเปอย่างนั้นนีถ้าคนไม่หลงไม่เมาก็ะทบทวนดูแะโอ้เราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มามาจากธาตุของพ่อของแม่กระทอดออกมาแล้วก็แม่พ่อแม่ต้องรักษาดูแลสั่งหลายเดือนหลายปีกลัวว่า จะเจริญไว้ใหญ่โตมาได้อย่างนี้นะดังนั้นพ่อแม่เลยเชงว่ามีอุปการะคุณอย่างมากเลยอ้อาวันนี้พ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะมาในสั่งสอนวิชา ค, ความรู้ให้ลูกเพราะว่าเมาแต่ทาการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีด พ, พ่อแม่ก็เอาไปฝาคกครูว่นนี้นะเอกครูเขาแนะนำสั่งสอน สอนวิชาความรู้ต่างๆให้นักเรียนนึกว่าครูก็กินเงินเดือนของหลวงจะมีคุณอะไรสอนนักเรียนอย่างนี้แล้วก็ประมาทครูไปเสียก็มีอย่างนี้แหละเคียงอยู่ครูน่าก็ต้องกินเงินเดือนหลวงถ้าไม่มีเงินเดือนแล้วครูก็สอนนักเรียนไม่ได้ เพราะไม่มีเงินจะไปจับจ่ายซื้ออาหารมาเลี้ยงตนและครอบครัวเนี่ยมันมูลเห็ุมันเป็นอย่างนั้นนักเรียนเมื่อได้รับความรู้จากครูแล้วก็หาว่าครูนั่นสอนนักเรียนเพื่อกินเงินเดือนเฉยๆครูไม่ได้มีคุณมีโนอะไอนักเรียนหรอก ถ้าสอนให้ฟ ร, ยรยอย่างนี้หน้าที่นักเรียนจะมีครูมีบุญมีคุณต่อนักเรียนได้อยู่ถ้าครูสอนแบบกิ๊งเดือนๆนะไม่ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะแก่นักเรียนเพราะครูทำหน้าที่ของครูไปตามคำสั่งของทางราชการเท่านั้นบางคนคิดไปอย่างนี้แล้ว ก็เลยเมขเขารบตักครูบาอาจารย์เลยออืมาผู้บวชเข้ามาเป็นพระเป็นเนนก็เหมือนกันเมื่อก่อนที่เราจะได้เป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกปือสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ผู้เพื่อนบวชมาก่อนผู้เพื่อ น, นชนานิชํานาญในการบวชการเรียนต่งตางๆพนี่มา เอาเพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อนก็สอนให้ตอนยังว่าคำบวชได้ถูกต้องตามมคธภาษาแล้วก็ฝึกเปรดมารยาทอะไรต่ออะไรอื่นอีกอย่างนี้นะกลัวว่าเราจะได้บวชเป็นพระเป็นเจ้านะก็ต้องได้ผ่านการฝึกฝนจากครูบาอาจารย์ระดับถึงมาก่อน เป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ตอนจะได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าเขาต้องมีพระสงฆ์เป็นนั่งเป็นสกีพยานโยมไม่ต่ำกว่าสิบลูกขึ้นไปออย่างนี้แล้วจะเป็นพระจริงเข้าได้นั่นอาก็ต้องมีกรรมวาจาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสวดสมมติ ผู้นี้ให้กลืนเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาอย่างนี้พู้ฉะนั้นท่านเรียกว่าพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็นิยมสวดคู่ถ้าไม่มีแท้แทองเดียวก็สวดได้มเมื่อท่านสวดท่านถามอันตรายกะธรรม ตามลำดับไปเสร็จแล้วก็สวดยัติเที่ยวหนึ่งแล้วก็สวดอนุสาวรนาสามเที่ยวรวมเป็นสี่เรียกว่ายัติยตุสักกรรมวาจาวาจามียัติกรรมเป็นเป็นเที่ยวที่สี่นี่อย่างงั้นยัติหมายความว่าขึ้นต้นนั่น พเดียงให้สงได้ทราบซะก่อนขอสงหลายจงทราบอย่างงี้นะคนผู้นี้ชื่อนี้มาขอบรรพชาบทสมบทถ้าสงเห็นดีเห็นชอบแล้วก็ขอให้นิ่งอยู่อย่างงี้เนี่ยถ้าไม่เห็นดีเห็ชอบก็ขอให้ทักท้วงขึ้นเมื่ออันนี้เป็นยติออ เมื่อพระท่านสวดยัติกรรมวาจาในตอนต้นนี้แล้วไม่มีใครคัดค้านอะไรเลยอย่างนี้พระนั่งอัตบาตนี่ก็นิ่งกันอยู่เนี่ยพระก็สวดอนุสาวรนาต่อไปมนี่ถึงสามหนจบลงแล้วก็จึงได้เป็นพระโดยถูกต้องตามธรรมตามวินยัยนี่ นี่นะขอให้เข้าใจอืมดังนั้นกลัวเราจะเป็นพระเป็นเจ้าได้ต้องได้ผ่านการรับรองจากคณะสงฆ์นับแต่สิบรูปขึ้นไปแต่ถ้าว่ามันจําเป็นจริงๆหาพระไม่ได้แต่ห้ารูปหกรูปนี่ก็ก็ใช้ได้อืมแต่ทุกวันนี้พระมันหาง่ายมันมีจํานวนมากท่านก็เลยให้กําหนดเอาสิบรูปขึ้นไป พระเหล่านั้นท่านเรียวกว่าพระนั่งหัตถบาตนั่งเป็นสักขีพย า, ยานอืมเราต้องรู้ไว้บวชเข้ามาหน่ยอยท่านผู้นี้ผู้นี้เป็นสักขีพย า, ยานเราก็ถือว่าเป็นอาจารย์ระดับหนึ่งท่านผู้นี้เป็นผู้สวดนัตติให้เราได้เป็นพระเป็นเจ้าอย่างนี้นะเราเราต้องเคารพท่านเหล่านั้นล่วงเกินไม่ได้อื เพราะว่าท่านเหล่านั้นได้ยกยอให้เราได้บวชเป็นพระเป็นสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ถ้าท่านเหล่านั้นไม่ช่วยกันมาทำาสธากิจเหล่านี้อย่างนี้เราก็ไม่ได้บวชบวชไม่ได้เลยถ้าทำผิดหลักผิดระเบียบแล้วท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าเลยดังนั้นให้พากันเข้าใจ บข้ามาแล้วเราต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ปุากรเราเราก็ต้องเคารพยำเกรงไม่ล่วงเกินอย่างนั้นไม่แข็งกระด้างกระเดองตอไม่ตอบถ้อยเทียงความในเมื่อเพื่อนตักเตือนในทางที่ถูกที่ชอบยอมทำตามนี่แหละคำว่าเคารพในการศึกษา หรือเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ที่ท่านแสดงไว้ในคาระวะธรรมหกอย่างนั้นนะเคารพต่อการศึกษาเล่าเรียนเคารพต่อการนั่งสมาธิภาวนานี่ถ้าใครไม่เคารพในหมายความว่ามันไม่ทอ ถึงเวลาคนจะนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่นั่งนี่นี่แล้วว่าไม่เคารพต่อสมาธิภาวนาไม่เคารพต่อปฏิสันถันคือว่าแขกคนไปมาหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจากแห่งอื่นมาสู่วัดปารามุขนเห็นแล้วก็เฉยอย่างนี้นะอ ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่ไถ่ถามไม่ต้อนรับกลับสู้ อย่างนี้ชื่อว่าไม่เคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับนะให้เข้าใจทุกคนล้าต้องฝึกนะต้องฝึกเมื่อเราเห็นอาคันุกะมาอย่างนี้นะใครเห็นเขาแล้วก็ต้องไปต้อนรับอไอ้พระที่มาแล้วก็สังเกตดูก็คงเป็นพระผู้ใหญ่ อ, อย่างนี้แหละเราต้องรู้ได้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่ ได้บวชมาหลายพรรษาแล้วอะไรก็พอมองๆดูแล้วก็พอรู้ได้พระนี่ยังนมอยังนมอย่างนี้แล้วกับเพียงไทยถามกันแล้วก็แนะนำให้ไปพักที่สลอมศาลาบอกอะไรที่จัดประต้อนรับแขกหาน้ำหาน้องมาให้เพื่อนดื่มแล้วก็จึงค่อยถามไทยกันว่า ท่านมาอะไรท่านประสงค์อย่างไรอย่างนี้นะถามความประสงค์ของผู้มาเมื่อผู้นั้นได้รับทำทำทำแล้วก็ก็จะต้องมีตนมีความประสงค์อะไรก็จะต้องพูดออกมาให้เพื่อนฟังผมมานี่มีความประสงค์ที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมในวัดนี้โดยได้ทราบว่ามีครูบาอาจารย์พระเถระท่าน อนิยมสอนการเจริญสมถะอิปัสสนาเราผมก็มีสัทธาอยากกะฝึกฝนเจริญสมถะอิปัสสนาด้วยเพื่อนก็ชี้แจงไอ้พังเพื่อนมีความประสงค์อะอ่างไรไอ้ทางนั้นก็อ่ะมันจะพาไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่จัดเสนาธนะให้พระอ า, าการุกะอืเป็นใครแล้วก็ต้องรู้ไว้ ก็พาอาการุกาเนไปหาพระเจ้าหน้าที่อพระเจ้าหน้าที่นั่นจะได้นําไปสู่ที่อยู่ที่อาศัยที่คิดเห็นแล้วว่าว่างโยอย่างนี้นะเมื่อมีที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็พาไปหาสมทานเจ้าอาวาสโดยลําดับไปออย่างนี้ ก็ไปแนะนำให้ท่านผู้เป็นเจ้าอาวาสได้ทราบว่าท่านองค์นี้เป็นอาคันตุกะเดินทางมาแต่นู้นแต่นี้เพื่อมากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์ออย่างนี้นะเ้วกร า, าบเรียนได้เจ้าอาวาสท่านรู้แล้วท่านก็จะได้ปฏิสันฐานกับอาคันตุกะนั่นต่อไป อันนี้เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติผลแห่งการปฏิสันฐานก็อย่างนี้แหละก็มีคนมาทำนมทานบ่อยบ่อยอเพราะว่าเมื่อเข้ามาแล้วเขาได้รับปฏิสันฐานการต้อนรับจากแก้วของถิน่นทั้งที่เป็นพระเป็นเนนก็มีเป็นชีเป็นข้าวก็มีต่างก็ทำหน้าที่ของตน ให้เต็มที่ไรอย่างนี้เขอได้รับความสะดวกสบายมาจากนี้ไปแล้วมันก็ไปโคตรนานโ hou ทเพื่อนฟุงพังโอ้วัดนั่นดีนะเพื่อนต้อนรับดีเหลือเกินอพูดจา ก, ก็ไพเราะดี อ, เอ่เพื่อนก็อำนวยความสะดวกให้ตามกำลังเท่าที่จะทําได้มาหนี้คนอื่นได้ยินได้ฟังก็มันก็อยากมา อยากเห็นอะไรเข้าไปแล้วแบบนี้นะอ่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องอันนี้อ น, นี้สงแห่งปฏิสันฐานการต้อนรับนั่นแหละมันจึงได้มีผู้มีศรัทธาใจบุญ้งหลายได้มาอุปถัมภ์บำรุงอะเราก็ยังเป็นอยู่ได้อย่างนี้นะอะแต่แล้วก็ไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะเรื่องปฏิสันฐานอย่างเดียวหรอกที่เป็นเครื่องดึงดูดจิตใจ ของพุทธศาสนากชนทั้งหลายมามันอยู่ที่ข้อว่าปฏิบัติอย่างอื่นอื่นอีก เ, ออเราพร้อมกันรักษาความสะอาดในบริเวณวัดวาอารามสะอาดตาแล้วก็สะอาดใจคนได้มาเห็นก็แ้โอ้สะอาดดีเนยะวัดนีห่หน่าอยู่น่าอาศัยน่าลื่นล้มอ อ, อันนี้ก็เป็นเครื่องดึงดูดของคนอย่างหนึ่งแล้ว ศาลาอันเป็นที่ชมุมนุมนี่เราก็ช่วยกันเก็บรักษาเอาไว้สิ่งของก็ไว้ให้มันถูกต้อง อ, อย่างนี้แหละล้วก็เก็บสิ่งของไว้ในที่เหมาะที่สมอย่าให้มันลกตาลกไกผู้มาเห็นเทาอย่างนี้เราช่วยกันจัดช่วยกันทํา ล้วควรอย่าประกาศหาผู้ที่สมัครใ้อยากจะดูแลโบสถ์ปิดโบสถ์ใส่กระแจ้โบสถ์หรือว่าอา้าวยินดีปิดศาลาดูแลใส่กระแจกศาลาอย่างนี้นะผู้ใดสมัครใ้ก็ประกาศออกมา ผมขอรับดูแลประตูสลาบางทีผู้ผู้ใดผู้หนึ่งว่าผมขอรับดูแลประตูบอดอย่างนี้ถ้าว่าผู้ใดรับงานนี้ไปเฉพาะเสร็จแล้วก็เข้าใจว่าจะไม่บกคล้องนะผู้นั้นต้องเอาใจใส่เป็นประจำเลยอันงานอันนี้เรียกว่างานประจำนะคนเลิก จากนมนมอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะต้องลงจากสาราที่หลังเพื่อนดูแลประตูทุก้านให้เรียบร้อยดีแล้วก็จึงค่อยลงจากสาราไปใส่กระแจสาราแล้วก็ไปท่านอย่างนี้นี่มันก็คงจะไม่บกร้องนะดังนั้นที่มันเราไม่ได้ ตั้งกันผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะรักษาเลียวคนเดียวก็ต่างคนก็นทอดทุละอ่ะผู้นั้นจะดูแลมั้งผู้นี้จะดูแลมั้งแต่ที่สุด ก, ก็ไม่มีใครดูแลกันเลยบางคราวก็เลยไม่มีใครปิดประตูใส่กรนหรือลงใส่กระเจ้อะไรอพวกที่ขโมยมันได้โอกาสมันก็นเปิดเข้ามาเอา ขอมีค่าในนี้สบายออย่างนั้นเนี่ยดังนั้นอย่าพากันประมาทต่อไปนี่อยงว่าเราทําอะไรถ้าหากว่ามันขาดหลักการแล้วมันบุกร่องกับยังว่านั่นเนี่ยบุกร่องยิง่นนยยงแต่ก่อนมาก็ไม่ได้ตั้งใครเป็นผู้รักษาประตูวบวชประตูสลาดโดยเฉพาะไม่มี อย่างนี้เนี่ยมันมักกะพังเถือไปได้อืมดังนั้นพระเจ้าจะให้สาวหาผู้มีศรัทธาผู้อยากอยากทำบุญอย่างนี้นะเอาก็เอ า, าหาเอาผู้ใดสมัครใจแล้วก็สแสดงออกมาแล้วก็ตั้งออกตั้งใจทำงานอันนี้จริงๆจย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะ ก็เรารักษาสมบัติของสงฆ์ไว้ให้ได้ใช้ได้ถอยใ ห, ให้ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวเราและแก่หมู่คณนนะหรือญาติโยมที่มาทำบุญทำกุศลหมเนีย อ, อย่าว่าไม่เป็นบุญกุศลกิจกรรมเหล่านี้นะเป็นเป็นบุญนะงานในวัดวาสศาสนานี้ไม่ใช่ หนักหนาอะไรไม่ใช่ยุ่งยากเหมือนอย่างกิจการงานของชาวบ้านนะไม่หรอกพิจารณาดูให้ดีไม่มีอะไรยุ่งเหยิงสับสนอะไรมากมายมีมาเราก็แก้ธรรมานักปฏิบัตินักภาวนามีจิตใจตั้งมัน่นเราต้องแก้ไขอุปสรรคนั้นให้มันลุล่วงไปให้ได้ถ้าสิ่งใดแก้ไม่ตกไม่ไหวเราก็วางอุเบกขาลง อย่าไปทุกไปร้อนเลยเพราะมันมันเหลือวิสัย่เรามันแก้ไม่จบก็วางอเัยวะขาหลงใครจะสรรเสริญนินทาอะไรก็แล้วแต่เรื่องใครออผู้ปฏิบัตยิย่อมย่อมทําต้องทําในใจของตนอย่างนี้ให้เข้าใจอย่าไปถือมั่นอะไรต่ออะไรว่าเราทําอย่างนี้เราจะให้ได้อย่างนี้นะอย่างนี้ถือมั่นไว้จริงจัง ถ้าทำลงไปแล้วมันไม่ได้ตามความประสงค์แล้วก็เอาเลยโทรมานัครับแ้นใจเสียใจเดือดร้อนอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยเพราะองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นทรงสอนเจริญพ ม, มิหานสี่นะั่นคิดดูให้ดีเมื่อเราทำลงไปหา ก, กว่ามันเหลือวิสัยแล้ว มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็พราะองค์ก็สอนให้วางอุเบกขาลงถ้าเกี่ยวกับบุคคลก็นึกถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้โอ้กรรมใครกรรมมันเนาะเราก็ช่วยไม่ได้กรรมมันนะ่ะที่เขาทำมาแด้ก่ามันตามมาสนองแล้วอันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้นึกอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจเศร้าโศกอะไรกับบุคคลผู้ที่ วิบัติพัดภาคจา ก, กไปหรือว่าเขาถึงความวิบัติอะไรแต่ว่าไม่ถึงกับชีวิตตักใสอะไรเลยแต่มันก็เป็นกรรมเวรของเขาเราก็ช่วยไม่ได้วางอเวขาลงอ่านี่ขโมมีหารสี่เนี่ยทุกคนต้องเจริญนะถ้าไม่เจริญแล้วก็จะจงได้รับความเสียใจดีใจสลับกันไปอยู่นั้นแหละ ทำอะไรไปถ้าผิดหวังเสียใจถ้าสมหวังก็ดีใจอย่างนี้นะ <c oughs> มันไม่ถูกมันมันไม่เป็นธรรมแบบนั้ น, นมันเป็นกิเลสขอให้เข้าใจ <c oughs> เราต้องกำหนดรู้ไว้ลวงหน้าไว้เลยว่าทำอะไรทั้งหมดในโลกนี้นะที่จะให้มันเป็นไปได้ตามประสงค์ทษกอย่างไม่มี บางอย่างก็สมหวังบางอย่างก็ผิดหวังเพราะมันเป็นอานิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราต้องเตือนใจไว้เสมอเสมอเพื่อจิตมันรู้อย่างนี้แล้วเวลามันผิดหวังมามันก็ไม่เสียใจมันก็วางใจได้มันก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจอะไร ถ้าไม่ได้คิดว่าอย่างนี้ไม่ได้ทำความรู้เท่าร่วงหน้าไว้แล้วไปไปถ้าเกิดผิดหวังอะไรสักอย่างเอาเราเสียใจมันไปนอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่ผู้แสวงหาทางออกจากทุกข์อย่างนี้นี่มันต้องฝึกเนี่ยจิตใจต้องฝึกเอาถ้าหากว่ามันพังเผอ ไปไปทาอะไรผิดหวังแล้วมันเกิดความโทรมนับเสียใจขึ้นมาก็ไม่ถอยพยายามค่มใจละเรื่องหมูนั้นหาอุบายสอนจิตเข้าไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละของไม่เที่ยงยะมันสมหวังทุกอย่างได้แต่ที่ไหนพยายามสอนจิตตัวเองเข้าไปจิตมันได้รับคำแนะนำตักเตือน ตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วเมื่อก็ตื่นตัวได้ก็รู้ตัวได้ก็คลายความเสียใจความเศร้าโศกความเข้าแค้นอะไรลงได้คลายความโกรธให้บุคคลผู้อื่นที่ว่ามาทำให้ตนผิดหวังอะไรตัวไดก็ให้อภัยเขาไปเลยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้เห็นทุกข์เป็นผู้เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ อาเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความเสียใจความเศร้าโศกความโทมนัสขับแค้นอะไรตราวมนี่มันก็ล้วนดังแต่เป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักเหตุเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ค่มใจฝึกใจสอนใจให้ละมันไม่ไม่ใหุ้สร้างความเสียใจดีใจเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเลยอย่างนี้นะ ก็เมื่อเราละเหตุอันนี้ได้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับไปเท่านั้นแหละวันนี้ถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็รู้จักอ๋อทุกข์อันนี้มันเกิดมาจากขันหน้าเมื่อขันหน้าในมีอยู่ตราบใดทุกข์มันก็มีอยู่ตราบนั่นแหละควรเบือนนบ่อควรนายเบื่อนายทุกข์ก็คือเบือ่อนายขันหน้านั่นเอง เพราะว่าขันห้านี่เมื่อจิตเข้าไปยึดถือแล้วมันเป็นทุกข์แต่ถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วมันก็เป็นในเพียงลักษณะของทุกข์เท่านั้นเองลักษณะของทุกข์คือมันละขันหานี่มันทนอยู่ไม่ได้มันตั้งเที่ยงยั่งยืนไม่ได้มันย่อมวิบัติแปรปวนอยู่นั้นทนได้ยากลําบากอยู่นั้น นี่เรียกว่าทุก ข, ขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของขันธ์ห้าเมื่อจิตไม่ยึดถือขันธ์หน้า่อเป็นตัวเป็นดนแล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์อมันก็เป็นทุกข์แต่ขันธ์ห้าเท่านั้นแหละขันธ์หน้าเป็นทุกข์ไม่มีผู้รับรู้ทุกนั้นมันเป็นแต่เพียงแสดงอาการออกเท่านั้นเองเลยถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วนะจิตไม่เป็นทุกข์ มันก็หมดเรื่องกันแต่อย่างนั้นถ้าจิตไปยึดถือเข้าเมื่อใดจิตก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์อันร่างกายนี่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วแหละมันแปรปวนมันทนได้ยากลำบากอยู่แล้วนี่นะแต่ถ้าจิตไปยึดถือแล้วอย่างนี้ไม่มีใครว่าเราเป็นทุกข์ผมคนและฟันหนังเนื้อหูตาจมกูกรีดกายมือเท้า อวัวอยวะนอใหญ่อย่างนั้มันไม่ได้ประกาศออกมาว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีมันไม่ได้ประกาศออกมาเลยอขอให้เข้าใจจิตตั้งหางนะประกาศออกมาแต่ว่าจิตทั้งอาศัยร่างกายนี่เป็นเครื่องบอกว่าชนเป็นทุกข์เช่นอย่างว่าผิดหวังอะไรมาเจ็บป่วยอะไรมา เกิดโทมนัส้อยใจน้ำตาไหลออกมาร้องห่ม m ร้องให้เนี่ยมันแสดงถึงจิตเป็นทุกข์แล้วถ้าจิตไม่วันไว้ไม่นั้นรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงจิตตั้งมั่นเป็นอุเบกขาอยู่ได้อย่างนี้น้ำตายดึงมันก็ไม่ออกเลยแล้วก็ไม่ได้แสดงความโศกเศร้าโศกเสียใจร้องให้ลํำไรอะไรเลย ถ้าจิตมันหนักแน่นมันรู้เท่าแล้วไม่ไม่ถือมั่นแล้วอย่างนี้ให้พากันเข้าใจไว้นี่แหละเราต้องแยกกันออกให้รู้ได้จิตมันส่วนหนึ่งขันห้ามันส่วนหนึ่งแต่ว่าจิตก็อาศัยขันห้านั้นแ่ะอยู่อย่างนี้ไอเบทานาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่ มันเป็นนามนธรรมอาศัยกายกับจิตกระทบกันเข้าแล้วจึงได้เกิดเป็นนามนธรรมสี่นี้ขึ้นมาให้เข้าใจลองนึกวาดภาพดูสิเมื่อจิตได้ถอนออกกับร่างนี้แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเลยร่างอันนี้ก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเท่านั้นธาตุไฟก็ดับธาตุลมก็หายไป แล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยลองคิดดูอันเนี้ยเพราะฉะนั้นนามธรรมานี่จึงที่ว่าไม่เที่ยงเละพระพุทธเจ้าจึางว่านามธรรมานี้ไม่เที่ยงอืมเราะมันอาศัยกายกับจิตกระทบกันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ยงี้นะอืมถ้าผู้ไม่เพ่งพี่นะ ให้ดีจริงๆก็ไม่เห็นมันเกิดมันดับแหละถ้าจิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งพินิจจวงเงี้ยมันจะเห็นเลยอะ่ะเดี๋ยวสุขเกิดขึ้นอยู่ไปชั่วระยะหนั้นสุขกนหายไปเดี๋ยวทุกข์เกิดขึ้นมาแทนเดี๋ยวถ้าสุขทุกข์ไม่เกิดแล้วก็มีความรู้สึกเฉยๆท่านก็เรียก ว, ว, วุเบขาเวทา่างี้นะ นั่นแหละอเวขาเวทนานี่ความวางเฉยอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันเที่ยงยั่งยืนนะอืมมันวางเฉยอยู่แต่มันไม่มีปัญญาในเวลาไม่มีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมามันก็วางเฉยอยู่ได้จิตนี่นะแต่เมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วไอ้ความวางเฉ ย, ยก็หายไปวันนี้ความเสียใจดีใจความโกรธอะไรก็เกิดขึ้นมาแทนเนี่ยลองคิดดูให้ดี เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยต้องเพ่งดูนามธรรมานี่ให้มันรู้ให้รู้ลักษณะอาการแห่งนามธรรมาเหล่านี้ตามเป็นจริงให้ได้ไอ้ จ, จิตมันกระวนกระวายอยู่นี่ก็เพราะมันหลงนามธรรมานี่แหละหลงรูปแล้วก็หลงนามหลงความคิดตัวเองจนเองคิด คิดขึ้นมาไม่ดีกะเกิดทุกขโมนัดขึ้นในใจตนเองอะคิดขึ้นมาแล้วตนเองอะเป็นทุกข์เองลองสังเกตดูถ้าหากว่าตนมีสติสมบัติเส้นะกำกับจิตอยู่เงี้ยแล้วได้พิจารณาเห็นนมามธรรมเหล่านี้มันมีเกิดมีดับอยู่นั่นเป็นธรรมดาอย่างนี้นะ ถ้าสิ่งใดมันมากระทบกระทั่งจิตจิตก็รู้ทันทีว่านั่นนมามธรรมเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เที่ยงไม่ยังอืง่นอะไรเลยเนี่ถ้าหากว่าสติปัญญาสอนจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตก็ไม่หวั่นไหวตามนมามธรรมนั้นนะอ้ามันจะเกิดทุกขเวทนานต่างขึ้นมาเนื่องจากว่าร่างกายไม่ปกติมันแปลปรปวนอย่างนี้ เราก็เพ่งรู้ทุกข์นั่นตามเป็นธรรมดาไม่ต้องส่งจิดีอีจากทุกข์ทุกข์อยู่ตรงไหนเพ่งดูมันอยู่ตรงนั้นอา้าวทุกข์นี่มันจะเป็นตัวเป็นตนจริงเหรออย่างงี้นะเพ่งดูอยู่เอาไปเอามาเมื่อจิตมันรู้แจ้งในตามรู้แจ้งในทุกข์นั่นตามเป็นจริงแล้วมันก็มองเห็นว่าทุกข์ไม่มีตัวมีตนอะไรอะ่ะ นี่มันก็รู้ชัดเมื่อทุกข์ก็ไม่มีตัวมีตนอะไรจะไปเดือดร้อนทำไมล่ะจะไปวันไหวทำไมอย่างนี้นะแต่คนเราเนี่ยเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันจิตใจมัน็หวันไหวไปก่อนเลยวันไหวทันทีแล้วอย่างนี้มันจะไปรู้เท่าเวทนาได้ยังไงอ่ะรู้ไม่ได้ผู้จะรู้เท่าทุกขเวทนาได้ ต้องมีใจเข้มแข็งเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เอา้าน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตก็คองจิตให้ตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็เพ่งดูทุกขเวทนานั้นเอา้ามันจะรู้สึกเหตุร้อนอยังไงก็ช่า ง, ไ, งไม่ท้อไม่ถอยเพ่งไปเพืมาเมื่อมันรู้เท่าแล้ววันนี้มันจิตไม่ยึดถือมันคลายมันวางแล้ว จิตก็เบาไม่หนักหน่วงเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วเวทนานั้นก็บันเทาไปเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วถ้าจิตยึดถือถืออยู่เนี่ยทุกเวทนาในปรากฏวมันมากจริงจิตใจก็พราะว่าหนักหน่วงจริงแต่อย่างนั้นลักษณะของความยึดถือถ้าหากว่าเพ่งเอาจนรู้เท่าตามเป็นจริงว่าทุกมันก็ไม่ใช่มีตัวตนอะไร อย่างนี้มันมีแตส่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วเวลามันยังไม่ดับมันก็ปรากฏอยู่ท่านไปไปแล้วมันก็หายไปดับไปมันไม่ใช่จะมีเป็นทุกข์อยู่นั่นตลอดเวลาไปหาไม่ได้เราต้องแข็งดูทุกข์ให้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้บางทีนะ โรคภัยกำเริบอยู่นี่เราจิตใจเข้มแข็งเราแพ่งดูทุกเวทนานเกิดจากโรคภัยมันกำเริบนั้นไม่ท้อไม่ถอยเนาะบางทีเมื่อจิตมันรวมลงไว้แล้ ว, ลวโรคนั่นมันระ ง, งับไปเลยก็มีเลยมีอ่ะอมเมื่อจิตมีอนุภาพขึ้นมาแล้วนะนั่นแหละโรคมันครอบงำจิตไม่ได้มันก็ถอยไประ ง, งับไป อย่างนี้ก็มีแต่ว่าเราจะไปถือเอาอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกโรคบางอย่างนั้นจะรู้เท่าสักอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่หายมันก็มีอยู่แต่บางอย่างนั้นถ้าเรากําลังจิตเข้มแข็งเข้าไปแล้วมันเทาลงไปได้สงบลงไปได้อ่าเป็นอย่างั้นเรื่องนี้นั้นได้ทดสอบเอาพอแรงเรื่องมัน่ะ เพราะฉะนั้นอย่าไปทําใจอ่อนแอเอาเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องชํารุดทุดโทมร่างกายนี้เมื่อเมื่อธาตุสีข่ขันธานี่มันแปรปรวนไปมันอ่อนแอลงแล้วเอาโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนอะไนี่อันนีกว่าเมื่อความแก่มีแล้วความเจ็บก็ตามมาอย่างนั้นเมื่อเจ็บหนักหักเข้าไปยิวยารักษาไม่ได้แล้วก็แตกทาลายลงรูปกายนี่นะมันก็อยู่ไม่ได้ เ, เพจเพจรนาทบทวนอยู่เนี่ยไปมาจนมันรู้เท่าตามเป็นจริงจนมันเห็นเป็นธรรมดาไปเลยเช่นนี้แล้วจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไร่แล้ววันนี้นะ เ, เห็นเป็นธรรมดานี้เอา้าวจิไปเป็นทุกข์จิตไปเสียใจกับมันทําไมเพราะว่าธรรมชาติของร่างกายมันหักไม่เที่ยงมันหักแรปรปรวนอยู่อย่างนี้ ในที่สุดเมื่อมันหมดหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกแย ก, กออกจากการเท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ ะ, อ, ะอย่างนี้นะละเราก็พยายามสอนใจเรื่อยๆไปอยู่นี่บางทีโรคภับางอย่างมก็บรรเทาลงได้ร่างกายก็กระปรีกระเป่าขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าโรคไัจะไม่หาย โรครักอโรคภัยอันเบียดเีร่างกายอยู่มันจะไม่หายก็ตามแต่ว่าโรคจิตหายเพราะจิตรู้เท่าแล้วไม่ยึดถือขันทั้งห้า น, นี่แล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละจิตกอบบรรเทาทุกข์ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้เนอะคอยพากันเข้าใจอเราจะไปอ่อนแอไม่ได้การปฏิบัติธรรมนะอื คิดว่าเราต้องพึ่งตัวเองเนี่ยชะนั้นเวลาเจ็บไข้ใดป่วนะยเราน่ะใครก็ช่วยไม่ได้ น, นั่นนะใครก็ช่วยไม่ได้นี่แต่หมอเท่านั้นะ่ะพอช่วยได้แล้วคนอื่นที่ไม่ใช่หมอก็ช่วยได้เล็กน้อยบี บ, บ, บ, บ, บดรวดให้กันผู้นั้นต้องการดื่มน้ำเอาน้ำให้ดื่มไปแต่ป จะไปช่วยขจัดโรคใครออกจากร่างกายให้นะี่มันไม่ได้เลยหมอก็มือกันนะหมอวางยาเข้าไปแล้วมันไม่ได้ผลทํายังไงก็ไม่ได้ผลเลยหมอก็หมดปัญญาแสดงว่าร่างกายของผู้นั้นมันหมดบุญแล้วบุญที่รักษาอุปธรรมบํารุงร่างกายนะั้นมันหมดลงอะ่ะเมื่อหมดลงแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลย มันก็ต้องแตกดับทําลายลงเราต้องพิจารณาให้มันถึงความจริงอย่างนี้อย่าให้มันมีสงสัยลังเลเลยเอ๊ะทาไมมันจึงเจ็บทําไมมันจึงตายอย่างนี้อย่าให้มันลังเลอย่างนั้นเลยเราต้องมันคิดมันพิจารณาให้มันรู้ชัดตามคปามจริงไม่เสมอเสมอไปอย่าให้มันสงสัยลังเลอย่างนั้น ถ้ามันเกิดสงสัยลังเลขึ้นแล้วจิตสงบไม่ได้วางไม่ได้รงไม่ลงเป็นอย่งนั้นเป็นรยาที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วไม่ค่อยได้อยู่วดัด อ, อย่างนี้แหละถึงมาอยู่เราก็วางระเบียบข้อวัดปฏิบัติไว้ให้แล้วแม้อยู่ด้วย ถ้าลูกศิดลูกหาไม่ทําตามคำแนะนำสั่งสอนแล้วอย่างนี้นะมันมันก็เป็นความบกพร่องของผู้นั้นเองผู้เป็นอุปชาอาจารย์นะ่ะได้ทาหน้าที่ของตัวเต็มที่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติพูดตามหลังนะั้นไม่ไม่ยอมเดินตามแล้วมันก็เป็นความบกพร่องของผู้นั้นถึงอุปชาอาจารย์อยู่ก็ช่วยไม่ได้ อ, อยู่ด้วยก็ดีช่วยไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้ลงโทษเหมือนอย่างทางบ้านเมืองเขาพ้องล้องไปติดคุกติดตารางไม่มีในพุทธศาสนานี้เราแนะนำกันด้วยดีแล้วผู้นั้นปฏิบัติตามไม่ได้แล้วก็เป็นกรรมของผู้นั้นเองถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างว่านี่แล้ว พระพุทธเจ้าก็ย่อมโปรดเอาคนได้หมดเลยอือพระพุทธเจ้ายัางโปรดเอาคนไม่ได้หมดเะยตกข้างในโลกนี้เยอะแยะเลยก็นเนื่องมาแต่อย่างว่านั่นแหละบางคนก็ประมาทนะอืมถ้าพูดถึงบุญวาสนาบา ร, รมีน้อยนะวันยิ่งแล้วใหญ่ยตัวนี้บุญน้อยไม่ไหวหรอกทาไม่ได้เพราะฉึงว่า ไอ้พูดเรื่องวาสนาบา ร, รมีนี่มันก็ทำให้คนห้อยเขไปเหมือนกันนะคนขาดปัญญาเนะี่เอาเพื่อนพูดถึงว่าผู้ทำความดีเข้มแข็งไม่ได้เพราะมีบุญน้อยวาสนาน้ยก็เมื่อเป็นเช่นนี้ตนก็จะยอมให้เป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยอย่างนั้นเหรอเพราะว่าบุญกุศลนี่ต้องทำเอานะมันจึงมีได้ แต่เมื่อรู้ว่าตนมีบุญว่าสนาน้อยแล้วก็ทําลงไปสิทําลงไว้บุญมันก็นมากขึ้นในจัวแล้ววันนี้นะเอต้องให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเวลาใดก็ตนนี้มีบุญน้อยฟังเทศก็ไม่เข้าใจแล้วไม่ต้องฟังมาและวตนมีบุญน้อยก็ได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละก็เลยขี้เกียจมาฟังเทศฟังธรรมเลยเอา่า โดยเฉพาะหัวลูกเนี่ยบกพ่องมากนะขอํำหนีไว้ในที่นี้เลยให้พากันขยันหมั่นเพียรยิ่งกว่านี้อย่าเลี้ยวไหลจะไปนอนอะไรนอนหลับนอนไหลจน้าจวนสว่างแล้วก็ยังไม่ตื่นอย่างนี้นะมันผิดวิสัยของนักบวชอ่ะ หรือผิดวิสัยของมนุษย์ก็ว่าได้มนุษย์ผู้เขาจเจริญรุ่งเรืองด้วยพอค่าสมบัติเหติยศชื่อเสียงต่างๆเขาย่อมนอนตื่นดึกลุกเช้าโดยเฉพาะอย่างพวกพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้นะโ้หเป็นนอนตื่นสายไม่ทันเขาแล้วตื่นแต่ดึกแล้วต้องจัดสินค้มสินค้าอะไรจะไปวางขายตลาดสลีที่ไหน อะไรวางแผนไว้เลยนั่นแหละพอสว่างมาก็จัดแจงเลยเขาทำอย่างนั้นเขาจึงมีอยู่มีกินมีเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนไปไดอ้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยการที่คนเราจะพึ่งตัวเองได้นั้นมันก็ต้องขยันหมั่นเพียร ประกอบกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนให้เต็มที่เลยเมื่อบุญกุศลมากเข้าไปเท่าไรแล้วจิตใจมันก็หนักแน่นเข้าไปได้ความประมาทมันก็น้อยลงมันเป็นงั้นไม่ใช่ว่าจะชีวิตนี้จะเป็นอยู่เพียงเท่านี้ขออยุ่อย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่นะเมื่อเราขยันมันเพียน ภาคเพียรทำความดีไปฝึกตนไปเลยบุญกุศลมันก็จเจริญขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแนละ้วมากขึ้นโดยการกระทาของตัวเองมันเป็นยางไ น, นให้เข้าใจผู้ใดไม่ทำแล้วผู้นั้นก็บุญกุศลก็ไม่จเจริญเนี่ยต้องพิจารณาอย่างนั้นไม่ใช่ว่า ตัวนี้บุญวาสนาน้อยได้เท่านี้ก็เท่านี้แหละก็เราอยู่เพียงแค่นี้ไม่ขยันมันเพียงนั้ยิ่งไปกว่านี้ยางไม่ถูกต้องเลยเห็นอย่างนั้นก็ชื่อว่าตัดผลใดความเจริญของตัวเองลงไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตื่นตัว ไม่มีใครเนี่ยจะทําให้ใครเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมด้วยศีลไม่มีใครทําให้ใครได้เนี่ยของโมญญเนียนั่นเองแม้อุปช า, าจารย์อยู่ด้วยอุปช า, าจารย์ก็ไม่สามารถจะไปทําทให้ลูกศิษย์เจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลสติปัญญาไม่เลยอ่ก็พอช่วยได้ก็ได้ให้โอวาออย่างนี้แหละที่หนทางออกจากทุกข์ให้ ที่แนวทางข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้ได้ยินได้ฟังทั่วกันแล้วก็จําเอาไว้แล้วก็ต่อจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติตามนั้นแล้วก็พึ่งตัวเองได้ต่อไปออมแม้จะไม่ได้อยู่กับใกล้กับอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ตามออมืมันก็ไม่ปาาระมัดก็สมรวมตนได้ถ้าผูใ้ใดกลัวแต่ทุก จะทําทความเพียรได้เข้มแข็งจะเพ่งภายในได้ให้มันหนักแน่นอย่างนี้นะก็มันก็เป็นทุกข์อยู่บ้างนั่นแหละการทำความเพียรทางใจก็ดีแต่จะไปกลัวทําไมอะ่ะเมื่อเราเอาทุกข์เป็นทุนแล้วมันมีความสุขเป็นขนอย่างนี้นะมันก็ดีไม่ใช่เลยนี่แต่ถ้าการงานอะไรทาอะไรลงไปเอาทุกข์เป็นทุน ผลที่จะได้รับก็คือความทุกข์อย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทําอืมอันนี้เรามองเห็นอยู่ว่าถ้าเราฝ่าดงกิเลสเหล่า น, นี้ไปได้แล้วเราจะมีความสุขอย่างนี้เรามองเห็นลําไรอยู่แล้วอ่ันนี้เอาก็สู้สิแบบนี้นะสู้มันลงไปแล้วเมื่อผ่านดานกิเลสเหล่า น, นี้ไปได้เราจิตรวมลงได้แล้วก็สบายอย่านี้นี่อันเนี้ย สุขทุกข์ไม่ใช่เป็นยั่งยืนอะไรเลยอ่ะมันเกิดจากจิตยึดถือเอาไว้ต่างหากเมื่อจิตไม่ยึดแล้วไม่ยึดอะไรแล้วอันนั้นก็ดับไปอ่ะตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันเป็นยงนั้นเมื่อจิตไม่ยึดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรสุขก็ไม่ว่าทุกข์ก็ไม่ว่าบนี้นี่ มันก็เป็นอุเบกขาญาณทัศนะนั่นแหละจิตวางเฉยลงได้พร้อมทั้งความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่ถือมั่นอะไรอะไรสั ก, กอย่างนี้นะท่านยังเรียกว่าอุเบกขาญาณทัศนะ์จิตใจวางเฉยแล้วทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยอืมรู้ว่าจิตไม่ยึดถืออะไรเห็นว่าจิตนี่ บริสดทธิพทังอยู่ไม่มัวหมอง